สิกขาบทที่5เรื่องพระชับขี590สมัยนั้นพระผู้มีพร ะ, พระภาค พ, พุธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัสดีครั้งนั้นพวกพิสูจน์ฉพบีเดินโครงกายไปในละแวกบ้านพระบัญญัติ5พึงทําความสําเนียกว่าเราจะไม่เดินโครงกายไปในละแวกบ้านเรื่องพระชับขีจบสิกขาบทวิพังพิสูจน์ไม่พึงเดินโครงกายไป เพิงเดินประคองกายไปในละแวกบ้านพิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อเดินโครงกายไปในละแวกบ้านต้องอบัติทุกกฎอนาปฏิวานพิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัติคือ1นพิกษุไม่จงใจ2อพิสูุไม่มีสติ3าพิสูุผู้ไม่รู้4ีพิสูุผู้เป็นไข้5พิกษุผู้มีเหตุขัดข้อง6กพิกษุวิกลจริต7จพิสูุต้นบัญญัติสิขาบทที่5จบ